เออแล้วมันมาเกี่ยวข้องอะไรการปทําแล้วมันกสอดคล้องได้ยังไงเนี่ยมันจะเกี่ยวยังไงอยากจะถามท่านสุริเตชโรช่วยขยายให้ฟังหน่อยดิที่จริงบางคนได้ยินแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะอะไรปกักปักอะไร <c oughs> ะอะไรทำํำทำเพราะว่าก็คงถ้าถ้าบางทีไม่สนใจหรือว่าศึกษาธรรมะบ้างเนี่ยก็คงไม่รู้หรอกนะโพธิปัจจยธรรมนี่คืออะไรหรือแม้แต่บางที เอาง่ายๆอ่ะแค่บางทีแค่มังองแปดพวกชงเจใช่มเราอาจจะได้ยินมาบ้างแต่เราไม่รู้หรอกว่าอะไรอาตมาเอาง่ายๆอย่างนี้จึ ก, กว่านะจริงๆอ่ะอาตมามาปฏิบัติแล้วก็มาอยู่ที่สันเตียโสกก็ไม่ได้ปฏิบัติพวกนี้นะคือคือก็ยังไม่ได้ไปรู้หรอกว่าอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายแต่ที่ง่ายที่สุดก็คือรู้เรื่องของการกินอยู่หลับนอน คืออันเนี้ยอโศกจะพูดเรื่องอันนี้บ่อยเพราะท่านก็จะทั้งสามัญนาชาวโศกจะเทศสอนพวกเนี้ยมากเพราะจริงๆแล้วจะปักไหนก็ตามจะจะมัดองค์ไหนก็ตามมันจะมารวมลงอยู่ที่การกินอยู่รับนอนเนี่ยชีวิตประจําวันแล้วก็การทํางานเพราะจาได้ว่าจริงๆอมาฝึกฝึกมาก่อนที่จะมาอยู่วัดด้วยซ้ําไปคือคือทําไมต้องฝึกก่อนเพราะว่ากลัวว่า ถ้ามาอยู่ที่สันติโศกแล้วเนี่ยกลัวว่าจะอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้แล้วมันออกไปมันรู้สึกว่าแม่มันขายที่หน้าเขาอ่ะรู้สึกว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาจมาเป็นคนที่พูด ง, ง่ายๆนะว่าแมถ้าทำอะไรทั้งทีแล้วถ้าทำแล้วมันมันไปไม่รอดนี่มันมันน่าอายอะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแน่ใจขนาดนึงว่าเออมาแล้วเนี่ยเราต้องสู้ได้นะมันจะลำบากขนาดไหนเราก็ต้องสู้ได้ แล้วเราก็จะอยู่เราก็ต้องอยู่จริงๆอยู่ให้ได้เพราะฉะนั้นขณะที่อยู่บ้านเนี่ยช่วงที่เริ่มจะตั้งใจว่าเอาละหน้าเดียวสมมุติว่าเดียวปีหน้าหรือว่าเดียวเดือนหน้าเราจะมาอยู่สันติอโสกแล้วนั่นแหละช่วงก่อนหน้านั้นะรู้ว่าที่วัดเนี่ยที่สันติอโสกเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนี่เอาละเราเริ่มไปจำลองที่บ้านเรานี่นะให้เหมือนกับสันติอาสก เริ่มเลยอ่ะเขาตื่นเขาข้อระคังตั้งแต่ตีสามครึ่งนะข้อระครังเสร็จอะ่ะก็มารวมตัวกันที่ศาลาแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมอาจามาก็เอาเลยเชียคราวนี้เดี๋ยวต้องไปลองดูก่อนสิว่าจะไหวหรือเปล่าเวันปกติเนี่ยไม่ตื่นเช้าหรอกปกติจะตื่นครับนู้นเจ็ดโมงแปดโมงเ้าโมงเพราะเราจะนอนดึกๆแต่คราวนี้พอตั้งใจว่าอจะลองปฏิบัติ ด, ดูสิแล้วเขาบอกว่าชีวิตอย่างเงี้ยมันดีใช่ไหมเราก็จะลองอะ่ะ เพราะฉะนั้นก็เลยคราวนี้เอาเลยตั้งนาฬิกาปลุกอยู่ที่บ้านนะนอนให้มันหัวค่ำหน่อยเสร็จแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกตีสามครึ่งนกรี๊งขึ้นมาปั๊บลุกลุกขึ้นมาเสร็จเ้าเขาทําวัดใช่ไหมเราก็เอาสิคราวนี้ก็าหาเทปหาอะไรมานะสวดมนต์ไหว้พระเราก็พยายามเอาสวดมนต์ไหว้พระคือพยายามเรียนแบบอะดูซิว่าเราจะไปไหวไหมอ่ะ เสร็จแล้วพอถึงเวลาที่พระเทศแเราก็ใช้หลวงพ่อเทปแทนก <laughs> ็เรียกว่าหลวงพ่อเทปแล้วเราก็กดเทปของพ่อท่านเนี่ยเปิดฟังเสร็จเราก็นั่งเขาก็นั่งกันใช่ั้มที่นี่เขาก็นั่งฟังแล้ว เ, าเราก็นั่งฟังโอ้ยใหม่ๆเนี่ยอย่าบอกใครเลยเคารพพ่อท่านมากใหม่ๆอ่ะ <laughs> คงจะเข้าใจนะ <laughs> โอ้ยนะโยกไว้กระเยกมาเคารพซ้ายทีขวาทีเค <laughs> ารพหน้าทีหลังที อโอ้ยใหม่ใ่เนี่ยโอ้มันฝืนจริงๆเพราะว่าเราไม่เคยอ่ะแต่พอฝึกไปฝึกไปเออมันกับมันก็ได้แฮะแลมันก็ได้จริงๆริงเราฝึกฝึกไปเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนเวลานอนให้ไวขึ้นตื่นให้เช้าขึ้นกับเดิมที่เราเคยทํานั้นนั่นเองไอ้แต่ก่อนเนี่ยเราเราปล่อยไปตามใจไงเราก็เลยคิดว่าเราทําไม่ได้แต่พอไปทําจริงโอ้มันได้จริงอันเนี้ยเนี่ยเริ่มเริ่มแล้วนะเปลี่ยนจากเรื่องเรื่องไอ การหลับการนอนและการตื่นนอนเสร็จแล้วตอนนี้ตื่นมาแล้วมาทําอะไร อ, ะอ่ะพอพอเปิดเทปใช่ไหมเขาถึงสมมุติว่าถึงตีห้ึ่งอย่างเงี้ยเอาเราก็ตีห้าคึ่งเราก็เลิกเอาเราก็ลงมาแต่ก่อนเนี้ยคือลงมาสายๆเนี่ยลงมาก็ถึงก็สำหรับกลับข้าวอะไรเตรียมเสร็จเรียบร้อยกินรูปเดียวกินเสร็จเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยว่ากันว่าจะทําอะไรต่อใช่แต่คราวนี้โอ้โหตื่นมาแต่เช้ามืดอย่างนั้นน่ะ เพราะฉะนั้นไม่เคยรู้เลยว่าเราลงมาตอนเช้านี่คือไม่เคยรู้ว่าเขาทําอะไรกันบ้างไงเพราะลงมาคราวนี้เราเห็นโอ้โหโยมแม่นี่ตื่นก่อนใครเลยนะตื่นมาเสร็จแล้วก็ลงมาปัดกวาดเช็ดถูเตรียมเปิดหน้าร้านเพราะว่าหน้าร้านเนี่จะขายของด้วยทําความสะอาดอะไรเตรียมข้าวของเพื่อที่จะขายของไม่เคยรู้ว่าว่าใครตื่นก่อนแล้วใครมาทําอะไรบ้างแต่คราวนี้พอมาเห็นโอ้โห ถึงได้รู้ว่าอะไรนี่เราก่อนไปนอนเนี่ยบางทีเราก็เห็นโยมแม่ก็นอนดึกอยู่แล้วอะ่ะคือบางทีนี่ อ, อะไรอะ่ะมักจะนอนทีหลังคนอื่นโอ้โหเสร็จแล้วยังตื่นแต่เช้ามืดอย่างนี้เลยแล้วยังมาทําอะไรเตรียมให้นะลูกหลานมาหุงข้าวมาต้มน้ามาอะไรอีกเลยโอ้โหคราวนี้เราเริ่มรู้สึกแล้วสิ ไอ้ปกติเรามากินเลยนี่มันมันมันไม่รู้สึกอะไรเพราะเราไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นขั้นตอนในการที่กว่าจะทํากว่าจะสําเร็จมาถึงขั้นนั้นเหมือนกับที่ตะกี้นี้พันเต้ท่านก็พูดถึงว่ากินเนื้อสัตว์เน่ยเรามากินตอนที่มันแหมหอมกรุ่นอยู่ในจานเนี่ยเราก็ไม่คิดอะไรมากแต่ถ้าเราไปย้อนเห็นตั้งแต่ขั้นตอนมาใช่ไหมโอ้โหเขาฆ่ายังไงเขาชำแหละยังไงโอ้โหความเจ็บปวดของสัตว์เป็นยังไงคราวเนี้ยเหมือนกันอะ มันก็ชักโอ้โหสะ ก, กิดใจเราแล้วเพราะฉะนั้นข่าวนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหไม่ได้หรอกถ้าอย่างนี้แปลกนะพอเราเริ่มคิดจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยใจที่มันจะเสียสละหรือใจที่เราจะอะไรอะขี้เกียจเนี่ยเออมันก็เริ่มลดลงคราวนี้โอ้โหเห็นแม่จะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราก็เอาช่วยสิก็ช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็ก็ถามว่าจะต้องทําอะไรบ้างช่วยช่วยทํา เดี๋วเช้าๆบางทีโยแม่ก็ใส่บาดพระโอ้ยมันเคยคิดใส่บาดพระมา ก, ก่อนเลย <c oughs> ในชีวิตเห็นไะเออก็เริ่มเอาตอนนั้นนันรู้สึกเออจริงๆก็ดีนะพระท่านเดิมมีบาตมาโยแม่ก็เอาอาหารมาใส่บาดพระเราก็รู้สึกว่าเออจริงจริงเป็นบรรยากาศที่ดีเป็นความรู้สึกที่ดีใจก็เลยชักอยากใส่บาดพระบั่งละก็คิดว่าเออเราต้องไปตลาดเองไม่เคยในะชีวิตไม่เคย ใบจ่ายกับข้าวเองไม่เคยอะไรเองดังนั้นก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราต้องไปลองจ่ายตลาดแล้วก็เอามาทำกับข้าวเนี่ยเราจะได้เอามาถวายพระเองบ้างก็ไปเลยเหมือนกันนะก็อย่างนี้ปรากฏว่าเออมันก็ทำไปได้ฮะแปลกนะแต่ก่อนเคยรู้สึกว่าโอ้โหถ้ามันอย่างนี้แล้วตื่นเช้ามันลำบากจะต้องมาทำไอ้นี่นี่มันมันยุ่งยากมันวุ่นวายแต่แปลกฮะทัใจลองมี ธรรมะอยู่ในหัวใจแล้วนั้นมันจะลําบากก็ตามมันจะทํายุ่งยากก็ตามแต่มันมีความสุขมันมีความอิ่มอกอิ่มใจฮะทั้งทที่เราลําบากกว่าเดิมเนี่ยมันมันแตกต่างก็ตรงเนี้ยซึ่งซึ่งไม่รู้จะอธิบายยังไงนะว่าคนที่ทําด้วยตัวเองเท่านะั้นถึงจะสัมผัสรสนี้เองเพราะว่าเขาเหมือนกับเปรียบไว้เหมือนกับอะไรนะช้อนหรือว่าทัพพีเนี่ยไม่รู้รสของแกงหรอกอธิบายยังไงมันก็ไม่รู้รสหรอกต่อให้มันเอาจุ่มอยู่ในแกงก็ตาม เพราะนั้นต้องเป็นคนที่ชิมเองคนที่ชิมด้วยปากของตัวเองริ่นของตัวเองนั่นแหละถึงจะรู้รสว่าเป็นยังไงบ้างเพราะนั้นอันนี้ท้าทายท้าทายโยมนะว่าเอ้าต้องไปลองเองความอิ่มสุขเนี่ยความอิ่มบุญนี่โอ้มันมีความสุขยิ่งกว่าความอิ่มใจที่บางทีได้เงินทองมาโอ้ได้ใช้จ่ายอะไรตามใจชอบไอ้เงั้นไม่มีความสุขเท่าเลยนั่นเนี่ยอาตมาก็เล่าข้าวให้ฟัง แล้วก็เปลี่ยนแปลงเรื่องการกินเรื่องการอยู่แม้แต่เรื่องของการทำงานนะพูดตรงนี้หน่อยหนึ่งแต่ก่อนนี้ทำงานนี่เปิดเพลงฟังชอบชอบเพลงมากมัน เ, เปิดเพลงฟังทำงานไปเปิดเพลงฟังไปเหมือนเหมือนทุกวันเนี้ยที่พวกวัยรุ่นบางพวกอะไรบางเออชอบเปิดเพลงฟังนะทำงานแล้วมันมีเพลงฟังไปด้วยเรารู้สึกโอ้โหมันสนุกมันอิ่มอกอิ่มใจดีแต่คราวนี้เปลี่ยนหมดเลย เลิกเลยเพลงเพลิงเลิกฟังหมดเอาธรรมะพ่อท่านมาเปิดฟังทํางานไปเปิดฟังไปทำงานไปเปิดฟังไปเออมันก็แปลกดีนะคนอื่นเขาก็สงสัยอยุ่มกันนะไ อ, อ้นี่มันเป็นอะไรไปแล้วทนะั้งคนในบ้านนะะไ อ, อ้นี่มันจะยังไงเนี่ยตอนปฏิบัติธรรมไม่ยอมบอกใครเลยเหมือนกันไม่กล้าบอกกลัวหันมากินมังสวิรัติก็ไม่กล้าบอกคนในบ้านเออ กินลดมือลงมาไม่กินจุบจิบก็ไม่กล้าบอกเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ดูหนังแล้วไม่ฟังเพลงแล้วไม่กล้าบอกใครกลัวกลัวเขาจะว่าเอากลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้แต่ที่ไม่กลัวคือมีความกล้าทำคือเรากล้าที่จะทำแต่เรากลัวที่จะบอกคนอื่นนะจริงว่ากลัวปฏิกิริยาต่อต้านบางกลัวอะไต่ออะไรบ้างก็เลยไม่กล้าพูด ก็เลยอาศัยว่าเราทําไปทําไปทําไปจนกระทั่งมันนานสักระยะหนึ่งเนี่ยถึงไม่บอกเนี่ยเขาก็เริ่มเฮ้ยยังไงวะเนี่ยแม้แต่เพื่อนฝูงก็เริ่มไอ้นั่นแหละเฮ้ยยิ่งจะบ้าแล้วเหรออะไรไอ้เรื่องคําว่าบ้ากับของอโศกนี่ธรรมดามากนะไม่ต้องไม่ต้องไปแปลกประหลาดไม่ต้องไปสงสัยจนกระทั่งมีพวกเราบอกว่าถ้าใครไปลองปฏิบัติแล้วเนี่ยนะถ้ายังไม่โดนเรียกบ้าบ้าแสดงว่ายังไม่ได้ปริญญา ยังไม่สําเร็จถ้าจะสําเร็จนี่ต้องเริ่มแล้วต้องมีคนเขาบอกว่าไอ้ น, นี่บ้าแล้วไอ้ น, นี่บ้าแล้วอแต่เราบ้านในทางที่ดีเนี่ยแหละเราต้องเปลี่ยนแปลงมาได้จริงๆแล้วพอปฏิบัติอย่างเนี้ยพอเริ่มลงร่องลองช่องเรารู้สึกว่าชักจะเชื่อมั่นตัวเองพอสมควรคราวนี้ถึงพอมาอยู่วัดมาอยู่วัดเลยโอ้ยไม่ยากหรอกจริงๆเพราะว่าถ้าจะพูดไปนะอยู่บ้านนะทํายากยิ่งกว่าอยู่วัดนี่อีก พรอยู่วัดเนี่ยอะไรอะไรมันเกื้อกูลเนี่ยใช่ไหมคนเขาก็พร้อมจะสนับสนุนก็ไม่ต้านอยู่แล้วโอ้โหมีคนมาช่วยเป็นกําลังใจด้วยนะบางทีเราอยู่บ้านเนี่ยถ้าแบบโอ้โหไม่เข้ากับคนนั้นไม่เข้ากับคนนี้หมายถึงว่าเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเรายังจะโดนต้านโดยอะไรด้วยซ้ําไปเพราะจริงจิงปฏิบัติอยู่บ้านน่ยมันยากกว่าถ้าเรามาปฏิบัติอยู่ที่บัดง่ายกว่าเยอะเพราะนั้นพอตะหลังเนี่ยมาอยู่ที่สันตีสุก ก็ปรากฏว่าปฏิบัติไม่ยากอะไรนะรู้สึกว่าง่ายรู้สึกว่าไม่ลําบากอะไรเลยเพราะว่าเตรียมเนื้อเตรียมตัวมาอาตมาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติเริ่มกินมังสวิรัตตั้งแต่ปีสองหนะนจนกระทั่งะจะมาอยู่วัดเนี่ยปีช่วงที่อยู่ที่บ้านแล้วปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่6ปี แล้วถึงมาอยู่ที่สันติโสภณ์นี่เพราะฉะนั้นช่วงนั้นนางก็ปฏิบัติเหมือนกับเราอยู่วัดนี่แหละเราใช้สัมนวนว่ายกวัดไปไว้ที่บ้าน เ, าเราระวังอย่า ย, ยกบ้านมาไว้ที่วัดแล้วนัน <c oughs> นะอันนี้คือยกวัดเอาไว้ไว้ที่บ้านแล้วก็พอฝึกซ้อมมาแล้วมาม า, มาอยู่ที่วัดนี่ถึงบอกโอ้โหทําง่ายเลยหลายอย่างที่บางทีเนี่ยเรากลัวนะโอกลัวคนติกลัวคนว่ามาอยู่วัดแล้วจะลาบากอย่างนี้ง่ายมาก พออยู่บ้านก็โดนคนว่าไม่ใช่ว่าไม่โดน เ, เบาวกว่าด้วยมาอยู่วัดนี่เบาวกว่ะาะฉะนั้นอาตมาก็เนี่ยพูดให้ฟังว่าถ้าเราเริ่มปฏิบัติจากการกินอยู่หลับนอนเราแล้วพอมาอยู่วัดแล้วสบายมากก็ตรงนี้ครับผมไพบูลกมลสุจริตพันนะครับคือนะอยากจะขอถามท่านสมณศรกอบชัยนะนะครับคือผมกับท่านเองเนี่ยก็ เ, ยเป็ น, นเป็นครับผมเป็นนักษาสถาบันเดียวกันมาเนี่ยครับนะ คือใ น, ในธรรมศาสตร์ของเราเนี่ยมมีอุดมการอยู่ว่า 1. น, นะฮะรักประชาชน 2. ก็คือการใช้วิชาความรู้เนี่ยไปใช้ในการสร้างความก้าวหน้าทั้งในตัวเองกับผู้อื่นคือการที่เรามีธรรมะแต่เราไม่ได้ไปใช้ในการบริหารความขัดแยง้งนะครับอย่างท่านบางท่านคือท่านมีธรรมะ นะฮะในในหัวใจของท่านอยู่เต็มร้อยเลยใช่ฮะแต่ทำไมท่านไม่ไ ม, ไ, มไม่เอาธร ร, รมะนั้นไปบริหารความขัดแยง้งกับเจ้านายช่วงที่มาอยู่จุพุท ธ, ธรรมศาสตร์นะก็ทากิจกรรมเผยแผ่ศาสนาเป็นกันอยากจะเปรียบเทียบตรงนี้เลย น, นะเหมือนกับว่าเราเดินพูดธรรมะไปตามบ้านต่างเราไม่รู้หรอกคนในบ้านเนะี่ยเขาฟังหรือไม่ฟังเขาอุดหูฉัได้ซ้าไปคือคนมาคนเขาไม่พร้อมที่จะรับ แต่เราก็ตั้งใจทำงานศาสนาเผยแพร่เผยแพร่เผย่เนี่โดยที่ตัวเราเองเ่ยก็ยังไม่มีการปฏิบัติมากเพียงพอตอนนั้นสมเก็ยังเข้าใจว่าการทําคือการนั่งสมาธิดับตายเฉยโดยรูปธรรมภายนอกเราไม่มีรูปธรรมอะไรเลยที่เป็นนักปฏิบัติแต่เราพูดธรรมะเปรียบเทียบกับเมื่อมาอยู่สันนะติสุขนะตมาก็มาร่ปปวมคุนการที่สันติสุโดยการที่ปฏิบัติลดละในส่วนตนมาเปลี่ยนแปลงตัวเองมาลดการกินการใช้โดยเฉพาะการแต่งตัว นะตอนนั้นปิดารวาตัตอยู่วัดกับนุงเกงขา ก, กว้วอย่างพวกเราเนี่ยใส่เสื้อยีดฮอกกมมีธุระครั้งหนึ่งไปซื้อของข้างนอกถนะสนสีลมไปกับยี่ห้อทหญิงที่นี่คนซื้ อ, อก็นุ่งผ้าถุงไปไม่ใส่รองเท้าเหมือนกันเดินเดินไปอยู่เนี่ยมีป้าคนหนึ่งเข้ามาถามหนูหนูหนูทําไมแต่งตัวงี้ทําไมไม่ใส่รองเท้านะเราก็แค่ตอบคําถามว่าทําไมเราถึงแต่งตัวงี้ทําไมเราถึงไม่ใส่รองเท้านะ บอกว่าเราเปนนะัไปทํธรรมเราต้องการฝึกตัวเองการไม่ใส่รองเท้าเพื่อเยื้อคือก็ว่าไปที่จริงก็คือตอบคำถามแต่การตอบคาถามนั้นน่ก็คือการเผยแพร่ธรรมะคือการขยายคือการสอนให้เขาได้รู้ว่าธรรมะคืออย่างนี้ความแตกต่างคือว่าอันนั้นคือผู้ถามเนี่ยเขาเปิดใจเขาคล่องใจมากเลยว่าเราแต่งตัวนี้มันอะไรกันเขาเปิดใจที่จะรับอยากจะรู้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วที่อยู่ธรรมศาสตร์ทากิจกรรมชำนุนพุทเหมือนกันทำกิจกรรมเซอร์แท่ศาสนาเหมือนกันมันเป็นการจรัดเยียดเป็นการบีบมาทำให้คนนู้นคนนี้โดยที่ว่าเจ้าตัวพร้อมบ้างไม่พร้อมบางแล้วก็ไม่เปิดใจที่จะรับรู้เราก็หยุดแล้วก็เลิกแล้วไม่ไสนใจนั้นละแต่เรามาทําที่ตัวเราเองทําตัวเราเองจนเราสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้รูปธรรมที่ชัดเจนของเรานี่แหละกระแทกสายตากระแทกจิตวิญญาณของคนบางคนที่เขารับได้ที่เขาพร้อมที่จะรับ แต่เขายังขาดความรู้เมื่อเขาอดใจไม่ได้เขาถึงต้องเดินเข้ามาถามเราว่าทําไมเราถึงทําอย่างนั้นแค่เราตอบคําถามเขาเนี่ยมันยิ่งกว่าการเผยแผ่ธรรมะแบบไปเดินพูดตั้ง10บ้านร้อยบ้านดี่ซ้าไปแต่เขาคนนั้นได้ก็ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการเผยแผ่ธรรมะในแง่ของการช่วยกันแก้ปัญหาสังคมการที่เราจะไปพูดให้เขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยสำหรับคนบางคนที่ไม่พร้อมเกายังไม่มีฐานพอที่จะเข้าใจและรับได้นะพูดไปก็เปล่าประโยชน์ เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะถ้าเกิดตัวเราเองเนี่ยยังไม่มีรูปธรรมยังไม่อยู่ฐานะของการที่จะให้เขาเชื่อถือเช่นเรายังกินสูบเดิมเสอยู่เรายังเขี่ยวเล่นเราแต่งตัวเสวยๆ ง, งามเราไปผู้ธรรมะให้กับลดละกิเลสมันก็แไปฮห้ทฤษฎีเฉยๆว่าเราอ่านหนังสือมาแล้วเราพูดได้ธรรมะข้อนั้นข้อนี้อุปทานขั้นหน้าเล็กว่าไปนะแต่ตอนนี้เนี่ยพอเรามาเปลี่นแปลงตัวเองอยาเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วเนี่ยเราไม่ต้องพูดภาษาธรรมะก็ได้ พูดแบบเหมือนท่านศรีว่าะไรคือเรากินอยู่รับนอนอย่างนี้อย่างนี้แต่ธรรมะเนี่ยก็คือธรรมะแหละในนั้นมันมีธรรมะโดยตัวมันเองแ ล, แล้วอันนั้นเนี่ยคนที่มีฐานที่จะรับได้ก็จะรับได้เมื่อเขารับได้เขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เมื่อเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถ้าหลายๆคนหลักก็คือสังคมเราไม่จะไปให้เ่งถึงผู้บริหารระดับสูงหรอกเราเอาจากข้างล่างขึ้นบนธรรมะนี่เอาจากข้างในเอาข้างน อ, นอกงั้นเราเผยแพร่ธรรมะเนี่ยเราพยายามเผยแพร่สามมติที่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแต่ละคน เมื่อคนแต่คนเกิดความรู้เข้าใจแล้วเขาสามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาได้จาก1น่หน่วยเป็น2หน่วยจาก2อหน่วยเป็นสามหน่วยนี่กะอารมณ์มีกี่คนสมมติถ้าในนี้เนี่ยสิคนร0อคนเนี่ยสามารถไปเปลี่ยนไปตัวเองได้อย่างน้อยก็เกิดครึ่งมันก็เกิดอะไรขึ้นมาใหม่ๆในสังคมแล้วตอนที่จะมาไปอาสาสมัครหลังจากกลับมาปุ๊บต่อาามาก็สรุปตอนที่ก็ไม่ให้พูดสรุปเขาบอกว่าไปปฏิสมัมพันธ์ในได้อะไรนะหรือว่ามีอะไรบ้างแต่มาตก็เขาบอกว่าสังคมได้คนดีขึ้นมา1คน เพราะช่วที่ไปปฏิสมัมพันธ์อะธรรมะไม่ใช่แค่ได้การทํางานเศรษจสรรให้กับสังคมเท่านั้นแต่ธรรมาได้ในแง่ของธรรมะด้วยงั้นในตัวเองเราได้แล้วตัวเองก็เป็นตัวต่อเชื้อที่จะให้สังคมเนี่ยนะขย า, ายหรือเจริญหรือก้าวหน้าไปกว่านั้นอีกทำรองเดียร์พวกคุณที่แบบอารมที่นี่นะพวกคุณเกิดสามัญที่สีเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วพวกคุณเอาไปทําที่ตัวเองจนปรากฏเป็นลูกปธรรมรับรองคนรอบข้างรอบตัวคุณเหมือนที่ทัานสริรบุตรก็จะต่อให้คุณแอบซ่อนไงเขาก็ต้องรู้เมื่อเุ้ารู้ ต้องมีคนใตคนหนึ่งหรืออีกหลายคนก็ตามเถอะที่เขาอดใจไม่ได้คือใจเขาเปิดในการที่จะต้องถามทำไมมีความรู้มีความจอะอะไรที่เป็นเหตุผลอะไรทำไมคุณถึงทำตัวอย่างนี้ทําไมคุณถึงเปลี่ยนไปคุณก็แค่ตอบคาถามกับตัวเองว่าทําไมคุณถึงเปลี่ยนไปอันนั้นแหละคุณจะขยายตัวและแตกตัวของแนวคิดอันเดียวไปแล้วถ้าเกิดคนคนนั้นครับได้เขาก็จะปลี่ยแปลงตัวเองต่อเขาเรียกเป็นโดมิโนโไปตัวขยายตัวหไปกันแต่คนบางคนถ้าเราไปพุ่งเป้าพยาพยามพยายามพยายามถ้าคุณนั้นเขาไม่พร้อมที่จะรับทําไปก็เสียเวลาเปล่า เพราะฉะนั้นในแง่ของธรรมะแล้วเนี่ยนะการช่วยเหลือสังคมเนี่ยการช่วยเหลือสังคมที่ถูกวิธีคือทําตัวเองให้เป็นคนดีขึ้นมาไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเป็นคนดีขึ้นมาในสังคมนั่นแหละคือตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีมีค่า ย, ยิ่งกว่าคุณไปพูดสอนต้องร้อยบ้าทสิบบาทถ้าคุณทําดีปุ๊บไม่ต้องห่วงว่าคุณจะไม่ได้พูดเพราะจะต้องมีคนอดใจไม่ไหวต้องมาถามคุณว่าทําไมคุณถึงเป็นอย่างนี้ทําไมคุณทําตัวอย่างนี้ในเมื่อกระแสสังคมตัวใหญ่ก็ทําอย่างนน้นเนาะหรือแม้แต่เขาจะหาว่าคุณบ้า แต่หลายคนที่ไม่คิดว่าคุณบ้าบอกไอ้นี่มันบ้าแปลกฮะสงสัยจังเลยขอถามหน่อยที่มันบ้าได้ยังไง <c oughs> นะต้องไปถามดูว่าเหตุผลไงทำไมถึงบ้าเมื่อคุณได้ตอบคาถามมานั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการกระจายความรู้อันนี้ไปแล้วเขาคนเหล่านั้นเนี่ยที่พร้อมนี่จะรับก็จะรับได้คนไม่พร้อมนี่เราปล่อยให้ไปก่อนแต่คนที่ได้จะได้ไม่อย่างนั้นสังคมมโซหรือชาวโซไม่ขยายตัวและเติบโตมาจนถึงวันนี้หรือแม้แต่เรามักเชื่อว่าในกลุ่มคนของคุณเนี่ยนะร้อยคนเนี่ยชื่อเหอะไม่จบแค่ร้อย นะคนแต่ละคนถ้กลับไปบ้านไปช่องบางคนไปเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เชื่อว่าที่บ้านที่ช่องน่ะจะต้องถามคุณก็ต้องตอบเมื่อตอบปุ๊บเนี่ยในหลายคนนั้นก็ต้องมีบางคนแหละที่เขาจะมีพื้นฐานที่จะรับได้เมื่อเขาเข้าใจได้เขาก็จะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงตัวเองทำจากข้างในเปลี่ยนแปลงด้วยความสมัครใจอันนั้นจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงจยืนยาวถาวรแต่การเปลี่ยนแปลงที่ถูกบังคับอันนั้นก็คือว่าทําเท่าที่มีเงื่อนไขบังคับพอเงื่อนไขบังคับหมดและเลิกไปก็กลับไปเป็นอย่่าางเก ทำนองเดียวกานรลดกิเลสเหมือนกันเราก็ต้องพยายามลดละกิเลสบังคับตัวเองลงไปลงไปจนจุดจุหน so ึ่งปุ๊บเนี่ยเราได้เป็นเนื้อเป็นตัวของเราจนกิเลสมาเบาบางลงแล้วนี่นะเราไม่ต้องไปบังคับมันแล้วเราเป็นนักธรรมะโดยตัวเราเราเป็นคนที่มีกิเลน้อยโดยตัวเรากิเลที่จะดิ้นออกไปข้างนอกเนี่ยเราไม่อยากทาละเพราะมันน้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราการเป็นคนดีในสังคมการที่ช่วยสังคมได้นั้นคือว่าเราทำชีวิตตัวเองให้ได้เป็นของจริงนั้นคือการช่วยสังคมที่แท้จริง ก็ตอบก็ตอบแค่นี้นะท่านสุัสดีมีอะไรเสริมช่วยให้1นาทีอาตมาก็ยังคงย้ำอ่ะนะการที่จะเป็นผู้นําหรือว่าเป็นผู้บริหารใครก็ตามถ้าเราเองยังนําตัวเองก็ไม่ได้บริหารตัวเองก็ยังไม่เป็นไปบริหารใครไม่มีใครเขาเารบไม่มีใครเขาศรัทธาไม่มีใครเขาเชื่อถือแล้วก็ไม่มีใครเขาอยากจะทําตามนอกจากโดนบังคับเท่านั้นเอง นะแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้คนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะปกครองคนได้จริงๆหรอกเพราะว่าต่อหน้าเขาอาจจะยอมแต่รับหลังหรือว่าในใจเขาเขาไม่ยอมหรอกเพราะอันนั้นไม่ได้เป็นการบริหารประเทศหรือว่าสังคมหรือว่าหมู่กลุ่มเพรา ะ, ะนั้นการบริหารคนเนี่ยที่ดีที่สุดนี่นะต้องให้ใจเขายินยอมใจเขาศรัทธามาขอยกตัวอย่างของจริงนะจากที่ ฟังพันเตท่านพูดมายัางอาตมาเนี่ยออกมาจากบ้านเนี่ยก็เหมือนท่านทำมาก็คือว่าโยมแม่ก็ไม่ชอบใจหรอกนะโกรธอาตมาเลยด้วยซ้ําไปนะแต่อาตมาก็เอามามาอยู่วัดนพออยู่เสร็จนะมาถือสีมาปฏิบัติธรรมซึ่งอันนี้ท่านรู้อยู่แล้วเรามาทําอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็แบบว่ากลับไปเยี่ยมท่านบ้างก็คุยกับท่านบ้างเล่าให้ท่านฟังบ้าง จำได้ว่ากลับไปใหม่ๆท่านไม่มองหน้าเลยท่านโกรธอยู่กลับไปครั้งที่สอง เ, อเดินหนีไม่ยอมพูดด้วยกลับไปครั้งที่สามเออเขานี่ ค, ค่อยค่อยแบบว่าชักเฉยๆลงกลับไปครั้งที่สี่ครั้งที่5อะไรเนี่ยค่อยๆเข้าไปพูดก็าค่อยไปในที่สุดเนี่ยแต่หลังพอท่านลดความกโกรธลดความไม่ชอบใจลงนะจิตชักจะปกติขึ้นแล้วก็พูดคุยแล้วก็บอกเล่าว่าเราทาอะไรยังไงบ้าง ซึ่งท่านก็ยอมรับอยู่แล้วว่าไอมาทําอย่างเงี้ยมันดใีใครก็ยอมรับว่าดีนั้นจีท่านก็เลยชักจะค่อยๆค่อยๆยอม ค, คุณเชื่อไหมจากไม่อยากให้เรามาบวชเนี่ยจนตอนหลังเนี่ยอาตมา ก, ก็ก็บวชมาตลอดใช่ไหมยโยมแม่นี่ต้องไปดูหมออยู่เรื่อยนะไป <c oughs> ดูหมอให้อยู่ทุกปีอาตมาก็ยังโอ๊ยมันทำไปดูหมอดูหมอหรอใช่ไหมคือดูเพราะเป็นห่วงเสร็จแล้วจนถึง กระทั่งคราวนึงเนี่ยที่พวกเราโดนดำเนินคดีนัทที่เขามาจับตัวไปเพื่อที่จะบังคับให้ศึกวง่ายเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าช่วงนั้นน่ยคราวนี้มีคนไปถามโยมแม่บอกว่าเนี่ยมันยังไงเนี่ยพระสมณะลูกชายนี่เขาจะจับศึกแล้วเนี่ยเขว่าเป็นพระเถื่อนนี่ยว่าเป็นพระเถื่อจะจับศึกเสร็จปรากฏว่าคราวนี้ตรงัข้ามเลยนะจะอยากที่จะไม ไม่อยากให้ลูกชายมาบวชใช่ไหมคราวนี้บอกไม่ได้ศึกไม่ได้ห้ามศึกตรงทั้งข้ามเลยคราวนี้บอกว่าเนี่ยพระที่นี่เขาปฏิบัติดีเขาทดขาทดีอย่างนั้นอย่างนี้นะโอ้โหแลหนะ้วอุซาเนะอามาย์เองคิดไม่ถึงเลยพูดง่ายว่าวันนั้นอามาน้ําตาไหลเลยเพราะว่าโยมแม่เนี่ยโอ้โหอุตซาหไปเยี่ยมไปเยี่ยมพอโดนจับกุมขังไว้อยู่นะที่บา้านโยมแม่อุตซาไปเยี่ยมถึงที่เลยมาบอกโอ้โห คือให้เห็นเลยว่าโยมแม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงโดยที่อาตมาไม่จะไปบอกไม่จะไปสอนไม่ต้องไปอะไรเลยนะแต่โยมแม่ได้เห็นว่าโอ้โหนี่เขาทําดีจริงๆเขาเสียสละไปจริงๆเขามาถือศีลปฏิบัติธรรมอาตมาบอกเลย ว, ว่าสิ่งนี้มันประทับใจคนที่สุดแล้วก็ทําให้ซึ้งใจคนคนจะยอมเปลี่ยนแปลงไหมเพราะยอมมาตรงนี้อาตมามาอยู่วโศกเนี่ยยอมชาวโศกเพราะว่าเห็นพ่อท่านเป็นคนอย่างนี้เห็นหมู่กลุ่มนี้เป็นคนอย่างนี้เขาเสียสละจริงเขาทําจริง อันนี้โอ้โหมันตาจึงใจมากๆมันทำให้เราเนี่ยให้คนจริงอย่างนี้มีในโลกเด็มันทำให้เราก็เฮ้ยเราก็อยากเป็นคนจริงอย่างนี้ด้วยมันก็ทำให้เรากล้าที่จะมาเสียสละกล้าที่จะมาลดละเพราะว่ามันมีพรรคพวกมันมีหมู่กลุ่มอันนี้แหละที่จะเป็นพลังรวมของสังคมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสังคมปัญหาสังคมทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีคนดีคนดีมีแต่คนดีต่างคนต่างกระจายกัน ไม่มารวมกันไม่มาช่วยเหลือกันเพราะเรามีสโศกอยู่คํานึงถึงบอกอใช้ว่าสังคมมั น, มนจะเลวร้วเนี่ยสังคมมันจะแย่เนี่ยเพราะเพราะคนดีทอแท้ทําไมคนดีทอแทะเพราะบางทีโอ้โหมันสู้อยู่แค่คนสองคนก็ย่องกระแ ย, ย่งมันสู้ไอ้สังคมที่เลวร้วายที่มันปั่นป่วนไปเนี่ยมันสู้ไม่ไหวหรอกต่อให้ยอดเยี่ยมยังไงคุณจําลองเคยที่จะเข้าไปใน วงการเมืองเพื่อที่จะไปแก้ไขการเบืองให้มันเป็นมาในทางทางดีทางที่มันแบบว่าสุจริตจิตธรรมอะไรแบบมากมันสู้ไม่ไหวหรอกเพราะอะไรเพราะนักการเมืองจํานวนมากไปยังไงมันไม่มีศิลธรรมมันยังเห็นแก่ตัวคุเข้าพเจ้า น, นะคุณกายเป็นอะไรอ่ะอะไรอะตกอยู่ในวงล้อมช <c oughs> นิดที่เรียกว่าไม่มีปัญญาไปแก้อะไรได้หรอก <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย การจะแก้จริงๆเนี่ยทุกวันเนี่ยจะแก้ไขปัญหาสังคมได้เนี่ยคือมารวมกลุ่มมารวมพลังแล้วก็ทำดีให้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งคนเนี่ยค่อยๆเพิ่มเป็นวนขึ้นแล้วก็กระจายออกไปคุณดูสิคราวนี้เนี่ยจะเป็นนักการเมืองอ่าจะในนักบริหารนักสาขาอาชีพไหนตามบริษัทห้างร้างอะไรต่างๆที่เออเริ่มฟังธรรมะท่านจาย์บ้างฟังธรรมะจากสันติอโศกบ้างนะเขาเริ่มรู้เขาเริ่มเข้าใจเขาก็ค่อยๆมามั่ง แล้วเขาก็มาปฏิบัติมาเปลี่ยนแปลงเขาเนี่ยคนเหล่านี้แหละซึ่งอยู่ต่างๆในจุดต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนี่แหละคือการบริหารที่จะเปลี่ยนแปลงโลกแล้วก็สังคมได้อย่างดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ด้วยใจของคนที่ศรัทธาแล้วก็เชื่อจริงๆนะเพราะนั้นอนาจารย์บังก็ฝากไว้เท่านี้